จะร่วงรับจากไปตามสภาวธาตุสภาวธรรมสภาวขันธ์ที่มนุษย์กนเราไม่มีใครที่จะดีเลียกได้ถ้าหลวงปู่ละไปลักษณะนั้นก็จริงอยู่ในเมื่อพวกเราเลิกถึงคำสอนความเมตตาธรรมของหลวงปู่ปฏิบัติตามคำสอนความเมตตาธรรม ที่หลวงปู่นำสอนพวกเรานี่ยนะคําสอนที่หลวงปู่นํามาสอนเอาจากสินธรรคําสอนของปราพุทธเจ้าฉะนั้นในเมื่อพวกเราปฏิบัติตามคําสอนอยู่ในลักษณะนั้นเหมือนองค์หลวงปู่เสียงท่านยังมีชีวิตยเหมือนปราพุทธเจา้ายันทรงรถยนต์อยู่ ที่น้องญาติโยมแข่ผู้มีเกียนทุกท่านผาคนที่องค์ทลวงปู่สิทธิ์ท่านมีความเมตตามีความทรงสารเหมือนอาจารย์พระพุทธเจ้าพระอริเจ้าส่สงสาวกสาวิกาขัางดูเรินที่ท่านเทศน์ทนสอนไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะ ท่านเทศท่านสอนให้พวกเรารู้ตัวว่าใจของมนุษย์คนเรานะี่ะตายไม่เป็นแก่ไม่เป็นรวมเจียนตใจพวกเราทุกคนรวมอยู่ในนี้ด้วยฉะนั้นเมื่อแก่ไม่ สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนตามสัจภาษาแบบไทยๆพี่น้องญาติโยมอาตจะมานำพี่น้องญาติโยมในข่าวทางเนตเทศหนาสอนจะเน้นนะเรื่องจิตใจเรื่องราว เน้นในเรื่องจิตใจเรื่องภาวนาทำยังไงเอาพวกเราทุกคนตั้งใจตั้งสติแล้วหลับตาหลับตาดูใจหลับตามีตสติ ใจของพวกเราอยู่ในขณะที่มีอยู่ในรูปรานของพวกเรานะั่นนหละจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นรานมันเห็นลักษะ น, น, นั้นไม่ได้เพราะเจตใจเป็นนามนามไม่รีโลกไม่มีราฉันในเมื่อการตั้งใจขึ้นมา ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรขึ้นมาเรียนรู้ดูใจตั้งจะตีจะเรื่องรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องใจใจของพวกเราในขณะ น, น, นี้เราจะไปเรียนรู้ในลักษณะไหนราอใจไม่มีหูบหลางให้เรียนรู้เรื่องใจใจคือความรู้ ในขณะที่เราตั้งกับตาตั้งใจตั้งความรู้ขึ้นมาความหมายตรงนี้การตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติเพื่อให้สติตั้ง เมื่อตั้งสติเรียนรู้เรื่องใจใจคือความรู้เออใจของเราเป็นอย่างนี้เราจะได้เชื่อมัน่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าใจนี่ไม่เคยแจกไม่เคยเท่าไม่เคยแจกเห็นใดทันคยใช่หรือเปล่านั่ง ตั้งใจคือวามรู้มันรู้อดูความเท่าความแฉะของจิตใจเห็นไหมมีไหมไม่มีเลยถึงอายุสังขาราล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วถ้าหกติดเกณฑ์ติดแิดชาวโลกชาวบ้านเขา แต่ในเมื่อมาฟังเทศฟังธรรมอย่างองอตมาเทศนาเป็ว่าบอกสอนบอกสอนเรียนรู้ให้พวกเรารู้เรื่องใจที่พระพุทธเจ้าสอนว่าใจนี้แก่ไม่เป็นเท่าไม่เป็นแก่ไม่เป็นเห็นใจกันเถิด เกณฑ์างคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้สอนจะพาะให้พวกเรารู้ว่าใจที่แก่ไม่เป็นเท่าไม่เป็นเฉยนานยังสอนต่อไปอีกว่านอกจากเกียตใจที่เท่าไม่เป็นแก่ไม่เป็นเกียตใจดวงนี้ไม่เคยตาย ไม่เคยสลายไม่เคยตายเลยที่น้องญาติโยมแค่์ผู้มีเกียรตทุกท่านและลูปหลานทุกคนฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพวมเป็นอัศจรรย์ในหลักคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้เห็นผลเห็นผนของ หลวงปูปออง่กุบาอาจารย์ยกองค์ที่เมตตาต่อพวกเราให้พวกเราเชื่อมั่นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าบุญมีจริงนะบาปมีจริงนะ ความเป็นสมบัติโลกมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สมบัตินอกจากมนุษย์สมบัติและปฐมวันสมบัติเป็นเทดเดวดาเป็นพระอิมพระพร้มนอกจากสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทีนี่ที่นองใหย่ ตั้งใจขึ้นมาดูใจตั้งสติขึ้นมาดูใจใจคือความรู้มันโโโรู้โูมอายุของเบเก่เจ็บสเจ็ั้งฐานนัางตายเขาเรียกคนเขาคนเจ็แต่ใจไม่ได้แก่ตามทาไมพระพุทธเจ้ายึงสอน หลวงปู่กวาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่เองท่งต า, ตงานเม่ตาสงสารหรือน้องพ่อพ่อหลวงปู่บนพวกเร า, มาเม่ตาสงสานต่อพวกเราให้ดีความเชื่อมันม่นว่าใจแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นแล้วใจมันออกจากร่างนี่ เมื่อใจมันจุติออกจากร่างคนนั้นตายบนดนี้ตายวันจริงใจไม่ได้ตายใจมันจุติเคลื่อนหนีออกจากร่างเมื่อใจเคลื่อนหนีออกจากร่างภาษาธรรมจุติเคลื่อนออกเคลื่อนออกไปมีอะไรพาจิตใจของเราพาจิตใจไปสู่ ตรงนี้นะเหมือนพบนี้ชาตินี้เราเกิดขึ้นมาเป็นคนได้เป็นมนุษย์ได้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอันนี้ไม่ใช่อาสัยพ่อแม่แต่ให้พวกเราเกิดนันนั้นพวกเรา มาเกิดได้เพราะดวงจิตดวงใจของพวกเราตั้งแต่เดิกค่ะเคยได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีความเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวา่าบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วปฏิบัติตัวอยู่ในขอบเขตของความเป็นศิทเป็นธรรมเป็นบุญเป็นบุตรเมื่อใจใจออกจากาบ้านบนโกศนันอ่ะ นำพวกเรามาเกิดเเกิดเป็นมนษุษย์เกิดเป็นคนพวกนี้ทา่านี้ที่น้อมย่ามอยู่ทำว่าคนอย่าไปดูที่เลยให้ศึกษาจากตัวงเราก่อนนอกศึกษาจากตัวของเราแล้วศึกษาจากทุกคนเดินคนเกิดขึ้นมาในโลก โดยเฉพาะประเทศไทยเรานี่ยนะไม่ต้องมากอะไรหรอกขนาดลูกพ่อเดียวแม่เดียวเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปโลกหน้าเหมือนกันใหม่สีสันพันหน้าเหมือนกันใหม่ขนาดลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันแทนะ้แ ทำไมจึงมีการแตกต่างลักษณะนั้นก็เพราะดวงเก็บดวงใจของเขานะี่นะมีบุญไม่เท้ากันมีบุญไม่เสมอกันบุญมากบุญน้อยคำว่าบุญบุญคือความสมบูรณความสมบูรณ์ในชีวิตความสมบูรณ์ในโลกหลากความสมบูรณ์ในฐานะ แตกต่างกันถ้าความสมบูรณ์ดีก็เรียกว่าเขามีบุญมากเขามีจตติตมีปัญญามากได้ยินได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์แล้วก็ใช้ความฉนาดเลือกเป็นการกระทำเว้นจากควมชั่ว นอกจากเรีนจากความยั่วแล้วก็มีการทําบุญทำท า, ทาในใจบาทรจันั้นจาก่าเสียตลาดนอกจากนี้แล้วมีการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นบุญรำมัศวนาใหมา่นอกจากทำทำมัศวนาใหม่ฟังเทศฟังธรรมภาวนาใหมา่ตั้งใจนึกภาวนา เนื้อพุธทธพุธทธในใจลักษณะสิ่งที่เกิดความเป็นบุญในลักษณะนี้ที่น้องญาติออกการปฏิบัติการสร้างความเป็นบุญของพวกเราพบน้ชาเน้การทำบุญทำทาน การรักษาสินจะเป็นสินห้าสินแปดหรือนักบวดเป็นแม่เถาแม่ชีสา ม, มเณรสินสิบพระสงฆ์องค์เจ้าสินสองร้อยพิเศษความรับผิดชอบตรงเดชเป็นการจร้าง เกตใจของแต่ละท่านแต่ละคนเป็นการเอาลักษณะของศีลทำรักในสิ่งที่ไม่มีมีในเกีตใจของแต่ละท่านแต่ละคนพี่น้องญาติโยมใจที่แก่ไม่เป็นเท่าไม่เป็นตายไม่เป็น เชื่อเถิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพวกเรายังเบียนไหวใจเกิรดอยู่นี่อยู่นี่กระเพาะเกีตใจของพวกเรายังเป็นสามัญชนยังเป็นคุทุกชนมีอะไรเป็นเครื่องวัดมีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกให้เรียกว่าสามัญชนคนุทุกชนเพราะเกียรติใจแต่ท่านแต่และคนนั้นยังมีความโลมมีความกรอด มีความดองมีตัณหาถ้าใจิตใจมีชีเลมีตัณหาอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องญาตโยมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเาราลากเม่นจากห่วงชั่วมีการลักสายสินห้าชาวบ้าน ไห้มีสินห้าเป็นจข้าวันภาคบังเจ้าหรือมีสถาแจกกล้าขึ้นไปเทาบ้านผู้หญิงผู้ชายจะสามารถรักษาสิแปดหรือออกบัวเป็นแม่ขาวแม่ทีรักษาสิแปดหรือออกบัวเป็นสามาเณรรักษาสนเจ็สิสอง้อยิก็ เศนแต่ละขั้นตอนนี่นะเป็นเครื่องจำละแรงเลิบของพิเลตเป็นเครื่องจำละแรงเล็บของสนาที่พิเลตศาสนาพาทาให้จิตใจของพวกเราเศร้าหมองขุ่นมัว ถ้าเผื่อพวกเราเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ปุบาอาจารย์สอนว่าแดงเลสของที่แต่ตหาเนี่จะทําให้จิตใจของพวกเราเต้าหมองทําให้จิตใจของพวกเราปวดหัวถ้าเต้าหมองมากปวดหัวมากที่หนองย่านโยมใจคือความโลภเนี่ยนะความโลภมันเกิด มันจะแสดงโมหะความหลงมันจะแสดงอภิชาความไม่รู้ความไม่รู้ตรงนี้เคอไม่รู้ว่าบนเบญจิตไม่ได้สนใจตั้งใจรักษาศีลทมบุญทำทานไม่ได้เชื่อว่าบาปเบจิต ไม่ได้ตั้งใจวอเว้นจากความทั่วสินห้าสินแปดสิสินสองร้อยสินเจ็ดี่น้องญาติโยมครับว่าสินสิไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องใจนะศินก็คือตัวของพวกเราจะลนะับเริ่มจากสินห้าก่อนสินห้าไปดูที่ไหนดูที่ตัวของพวกเรา หลวงปู่วันอาจารย์โดนันสอนแบบภาษาง่ายๆเข้าใจพี่น้องญาติโยมว่านักษากษานักษาศษ์ไม่ใช่ก็สือเรื่องใด น, นะหลวงปู่วันหลวงปู่วัสอนสอนภาษาง่ายๆศิล5ห้าก็คือตัวของพวกเราใ น, นดาเป็นตัวศินปห้านับจักไหขาสองแขน2องรวมกันเป็นศล สีตาอวัยวะรวมกันเป็นห้าอันนี้คือตัวป็นห้ามนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วสัญชาติยาในรวมกิจเมื่อ ร, รู้ตัวรักที่ตุกก็คือชีบิน โรคสมบัติพระจีสมบัติมโนสมบัติชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเราถ้ารู้จักภาวะยังษาจนถึงปัจจุบันพวกเรารักที่สุดรักชีวิตนี่คือสัญญาอิสระเมื่อรักชีวิตรักท่านมนุษย์เจเบสสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ารักษาได้ดีปฏิบัติได้ดี ทำให้จิตใจของพวกเราแจ่มใสอิในิตนิสัยอยู่ในสินในทรมความประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตของสินของทรมใจของเราเนี่น่ะจะกลายเป็นจิตใจที่มีคุ่นเพราะมีความสัเนื้รผู้ตัวฉลัก มีความสองโูนโดยจากเลือกเป็นจากสิ่งที่มันผิดอย่างทิศหน้าข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าห้ามอะไรข้อสองพระพุทธเจ้าห้ามอะไรข้อสามพระพุทธเจ้าห้ามอะไรข้อสี่ข้อห้อ 5, าพระพุทธเจ้าห้ามอะไร เมื่อตั้งใจฟังดีๆตั้งจิตฟังดีๆความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าเว้นจากความชั่วทักษามสิ่งนามันถึงใจเมันซึ้งในใจเพราะเห็นในสิ่งที่มันผิดสิ่งข้อที่หนึ่งคือการฆ่า การทำลายเยิ่งฆ่าทำลายท e ีววตความเป็นมนุษย์ผู้มีาบารมีพระโตพีนนอมยาโยงแก่ผู้มีเกียทุกท่านแลงเทธิที่ทำได้ลักษณนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากโทสตที่เป็นกิเลสที่ไม่มีใน ใ, นใจ เกิดจากโอหะความหลงหลองเนิ่มยีวความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเราบุญพามาเกิดที่พระพุทธเจ้าตอนว่ายีวิตมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากแดนเล็ดของที่เนลนรอพระโทสัต์โอหะมันเกิดขึ้นมามันทำให้หลงให้เลิม่มควมเป็นสมบัติ ดัการฆ่าจึงฆ่าได้ทำได้ถ้าเกิดเป็นไม่ได้พี่น้องญาติโยมไม่ว่าจะพ้อมนุษย์คนเราเราือสัที่มีบุญมีบุญกับมนุษย์คนเราก็มีมากต่อมากถ้าเลี่ยงเลี่ยนได้เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความสงบนความแจ่มใสของใสขอ ง, ของจิตใจ เพืนชือ่อว่ า, าสัตว์ที่ดีจีวิตให้มีความรักความเมตตาความสงสาผ่านึรถ่งคุณคนธรรมมีความเมตตามีความสงตาอันนี้แดงนิดศีลที่เรางดแฟนมันจะกลายเป็นธรรมคือความเมตตาความสงตารนันเอ ความเมตตาความสงสารเป็นธรรมนี่แหละจะเกิดขึ้นจากศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ล ะ, ล, ะละข้อนะนะั่นแหะอย่างข้อที่สองนักยกิก่งยิ่งเราเพราะจงโยมีหรือเมื่อไหรทำไม่ได้มันเกิดความรักความเมตตาความสงสาร เห็นคุณค่าของเีเิตเห็นคุณค่าของครเป็นจงปัตอย่างข้อที่สามเห็นจารลตประเพณีสาดีมรรยาไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าทำถ้าแสดงออกทำในสิ่งลักษณะ น, น, นั้น มันเป็นการทำตามของกิเลสทำตามของตัณหาการมัดตัณหาอารมณ์เพุสิ่งที่มีในใจของพวกเราที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ผุมันจะเกิดเป็นบาปเกิดเป็นกรรมพาให้ดวงจิตดวงใจของพวกเราได้เป็นตกนรม พาะแะรงนิดของกิเกลสแรงนิดของตัานอย่างข้อที่สี่ก่หกหลอกลวงโทษไม่เป็นความจริงตัดจากความซื่อสัตย์สุกจิตจไม่มีเชื่ดได้ทำได้ลักษณะนี้แม้ข้อที่ห้าตรเหมือนกัน ถ้าเดิมได้ทำได้ลักษณะนั้นอันนั้นมันขาดลักษณะของศีลศีลขาดจากรกณนศีลมีที่ใดมักะบีคุณธรรมตรงนั้นด้วยเมื่อขาจากศีลขาดจากคุณธรรมนี่เนี่ยคุณธรรมคือความดีความเมตตาความตรงต่าง ถ้าไปเดิมเป็นเมาลักษณะนั้นน่ะสติที่เคยมีดื่มมากหมดตติไปมากถ้าหมดสติไปมากคุณนัตธรรมความดีคือความเมตตาความตรงตาที่มีเป็นคุณนัตธรรมภายในใจิตใจมันก็หมดไปด้วยพี่น้องญาติโยมพี่น้อง ล, ลูกห่าน โุคนี้สมั ย, ยนี้ให้พากันตั้งใจแต่พวกเราชาวพุทธท่ามกลางของสังคมท่ามกลางชาวพุทธลองเอาสินค้ามาเป็นเครื่องวัดพฤติกรรมการกระทําของตัวเองและบุคคลอื่นท่ามกลางของสังคมมทุกอว สินห้าจะเหลือกี่ข้อแม้โดยจะพอพวกเราแต่ละคนแต่ละคนที่ได้สินห้าจะเหลือครบสงโวลถึงห้าขอ้ออยู่ไหมถ้ามีใครพังเผย อ, อัตมาของบินธบาตเกิดวันนี้มีการพังเผยผิด ข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าหรือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าขอบินเท่าตรตั้งใจดีๆเดี๋เราจะได้เห็นคุณค่าของจิตใจของพวกเราที่บุญพามาเกิดเป็นจิตใจควรเป็นมนุษย์ที่น้องไดโยมพีน้องลงลา แร ง, ดด ว, งกกวิสเดลไลโมหะความหลงเครื่องเสดติดยาเสดติดถ้าเผื่อพวกเราดูข่าวฟังข่าวโน่นแรงแล้วไทยขนาดไหนยุคนี้สมัยนี้ชื่อมันกระบอกแล้วสารทางอย่างชื่อมันกระบอกผูุ้จจาปาชื่อมันกระบอกแล้วปา ไปซื้อมาจินกันทำไมไปซื้อมาเส่กันทำหมราะจีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คนเราเนี่จะไม่มีอะไรจะเลวร้วรวายกับ้าฉะนั้นพี่น้องจา้าดองมีลูกมีหลานหรือใครก็ตามแต่ บางทีบางคนอาจจะเออลูกหลานคนนั้นเขามีความผิดพลาดไปซื้อย า, าว่ามากินมาเสร็จลักษณะนี้อาจจะมีพี่น้องญาติยอมที่นั่งวัดให้ฟังทันทนีถ้ามีลักษณะนั้นเตือนเขดความรักความเมตตาความงสงตารทุกบา้านนี่ลูกหลาน สารแต่สิบประเภทนั้นนะ่ะดุนแรงเร็วลายชื่อมันกระบอกวิญญาบ้าถ้าไปฝืนแต่ฝืนยินมันเกิดเป็นบ้าขึ้นมาแล้วหมดความหมายต้องความเป็นมนุษย์หมดความหมายต้องความเป็น ค, มมคเ น, นเลยให้ก็ตั้งใจดีๆพินารณาในความเมตตาความจงตา ที่พวกเราบุบญ บ, บุญแจกโชคแก่หลานถือแจกหมู่เพื่อนผูงถ้าเื่อเป็นไปได้ความเมตตาความสงสารของพระพุทธเจ้าความเมตตาความสงสารของหลวงปู่อุบาอาจารย์เนี่ยให้พวกเรากรา ข้าวรองค า, วารวาพฤษษษษติปฏิบัติทัวตามคำสอนของท่านอยากจะให้เป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นได้ลักษณะนี้พวกเราจะโพมใจเดีใจเดีใจว่าเราเกิดขึ้นมาเพราะแมชาติไม่เสียชาติเกิด เราได้มาเจอมาเจอคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคุณมีจชิงบาปมีจก่งนรกมีจชิงสวรรค์มีจก่งเป็นผีมีเชิงอสุรกายมีจก่งป้าทุกข์คว่นานรกเปรตผีอสุรกายพป็น้องญาติจบพวกเราเคยได้ยิด ถึงเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนสัสตว์นรกทนทุกข์ทรมานตแลหนีทนทุกข์ทรมานตถ้าเพื่อพวกเราไม่คินมันจะไม่เกิดขมวลัวคนน่าทำคือเมตตาสงสารตัวเองเนี่ยมันจะลดน้อยลง เชื่อเธอสิ่งเนี่านี้มันมีจริงสารตรกมีจริงแผ่นผีมีจริ ง, เ, รงเชื่อตามคำสอนของรพระพุทธเจ้าถ้าเผื่อพวกเรามาเชื่อลัต น, นั่นนี่พวกเราจะได้ภูมิใจว่าเกิดมาเพราะนี้ชาตินี่บุญพามาเกิดเราจะได้สร้างบุญเพิ่มเติมเสริมความเป็นบุญของพวกเรา จากการรักษาศีล <c oughs> จากการทำบุญให้ทาน <c oughs> จากการนั่งสมาธิภาวนาน <c oughs> ถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจอยู่ในลักษณะทีความดีคือความเป็นบุญความดีคือทำให้จิตใจสงบูกรธขึ้นมาบุญคือความสงบูกรธของจิตใจ มันรู้ตัวเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าใจของพวกเรานี่แก่ไม่เป็นตายไม่เป็นอยู่ได้เพราะความดีฉะนั้นการเว้นจากความยั่วเพื่อให้เกิดความดีรักษาศีลเมื่อเกิดความดีเราก็ได้ตั้งใจรักษางดเว้นจากความดัว่วงดเว้นจากความยั่ว ความดีมีมากบุญกุศลมีมากบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตกุศลคือความชนะเราจะเลือกปฏิบัติตายวาจาใ จ, ใจของพวกเราอยู่ในบอเจตของความเป็นบนุญพี่น้องจะยจมทีม่น้องลูกลังใจดวงนี้ ให้พวกเรามีคุณธรรมคือสติเผลอไม่ได้สติสติเครื่องละเรื่องโลกดูใจเห็นใจที่มันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นและก็มาเรียนรู้เรื่องของใจอีกสักหนึ่งสับหนึ่งที่ท่านเรียกว่าจิต เจตคือความนิบความเจดความเจดความนิบที่มีอยู่ในความต่าเนิบที่พวกเราเดินเกตอันนั้นทเรียกอีสัพอย่างว่าจิตความเจตนะครับว่าเจิตก็คือใจนั่นแหละเจตเนิบเจตก็คือใจของเราเดินเกตนั่นแหละใจก็คือจิตจิตก็คือใจนั่นแหละถ้ามาใช้ความจฉลาตรงนี้ เรียนรู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนความทุกที่จิตใจไม่ปราศนาไม่ต้องการนั่นได้ทุกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราพิจารณาตรงนี้ได้พิจารณามากน้อยขนาดไหนที่ภพภรีพระพุทธเจ้าสอนเตือนว่าชาติบิดลูกขา ใ, ใจของพวกเราไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ในขณะนี้กัเพราะความเกิดของพวกเราเกิดขึ้นมาเป็นเพราะภูมิของขวางเป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ขจริงบุญภาบมาเกิดขรรจีง แต่แล้วการเกิดขึ้นมาเนี่ยแดนเล็ดของการเกิดแดนเล็ดของกิเลีศาสนาเนี่ยชาดีปิดดุกขาถ้ า, าความเกิดเป็นผุกขณะเกิดเป็นมนุษย์น่นเนี่ยเป็นตัวของพวกเราในขณะเนี่ยขณะปุญธามาเกิดน่นเนี่ยมีรูปร่างกายเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง ร่างกายของพวกเราเรานั่งสมาธิอยู่นานๆนั่งบางเมตตาตามอยู่นานๆนขณะเนี้มันจะแดงอะไรเกิดมันก็จะแดงความทุกข์เอาพิจารณาดูตั้งใจดูตั้งสติดูวอาฉะนั้นความทุกข์ที่ปรากฏไม่ใช่เฉพาะการเกิดขึ้นมามันจะแดงความทุกข์นสิ่งที่พวกเราหนีเลี่ยงไม่ได้ นี่พระพุทธเจ้าสอนต่อว่าพยาเิปิทุขาชลาปิตุขาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สแสดงความทุกข์ชลาเตปิทุขาความเท่าความแก่อายุมากมันก็สแสดงความทุกข์จนถึงที่สุดพระรามปิทุขา ตายกับพ่อขวามลูกที่มีในรูกรลานนี่ตรงนี้ล่ะ <c oughs> จึงมีการฝึกนั่งสมาธินี่นี <c oughs> น่นั่งสมาธิ <c oughs> ดูใจ <c oughs> ให้ใจของเรา <c oughs> อยู่ในอารมณ์ สินของธรรมอยู่ในอารมณ์ของบุญของกุศลเกิดจากนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิเราเรียนรู้เรื่องของสินนอกจากเว่นตามที่ขาปทดนั่นแล้วสินนี่จะเข้าถึงใจทีเนี้ย สิ่งเข้าถึงใจไปเรียนรู้สิ่งเรื่องของจิตใจมีอยู่ในใจเรียนรู้ยังไยงยาห น, นังสั่งบอนยาหน้ายังยาคือความรู้ความรู้คือใจให้ใจของพวกเราสังบอระวังอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดจากอวามเนื่องความคิด อารมณ์ที่มันเกิดจากความเนื้อความเจ็บตรงนี้ตรงใจความฉลาด่าให้เป็นอารมณ์ของกิเลสจะให้เป็นอารมณ์ของตัณหาฝ่ายต่ําฝ่ายชั่วอารมณ์ของกิเลสอย่างอารมณ์ของโทสะโกรธเย็นฟุ้งซ่านรังพันจากตุอยากดาอยาก่าอย่ากตีเห็นแล้ว อารมณ์ปัจเจเนนน์น่ะเห็นสินทางอารมณ์จ่ายน่าสงบระว่างอย่าหให้มันเกิดถ้ารู้ตัวแล้วเกิดเลยหยุดเลยดับเลยอันนี้คือการเรียนรู้รักษาจิตใจอารมณ์ของจิตใจจะปล่อยให้อารมณ์ของกิดเลสัะหาพาจิตใจของพวกเรานื้คิด ถ้าปล่อยให้อารมณ์ของจิเลสตัณหาวายตามฝ่ายชั่วผากจินใจในัเคิดไม่ใช่ว่ามันจะคิดเฉยๆเองมันจะใช้วายจาคำพูดออกไปมันจะใช้การกระทำทางกายของพวกเราม้ไป็นทำพวชด้วมันเรียนรู้ควมจระจระตรงนี้เองแล้วสินจะดับที่สามที่เนี่ย สินเะดัดที่สามสีหลังสีหลาพยายามสร้างอารมณ์จิตใจให้อยู่ในความเป็นปกติเ อ, อ่ออารมณ์ใจเป็นปกติดีใจเป็นปกติดีมีความรู้สึกอย่างนี้อันนี้คือการตั้งตติดูใจฝึกใจของพวกเรา ที่เป็นพื้นฐานที่จะใช้คำวรมคุพูดให้ใจของพวกเราอยู่นารมณ์ของสิลนคือความเรียบร้อยให้อยู่นารมณ์ของสิ้นคื อ, ว อ, อคอวามปกติปกติกายปกติใจตดชื่นลื่นเริงยิ้มแย้มแจนมใสจิต ใ, ใจดีงามอารมณ์เป็นลักษณะนี้ เป็นอารมณ์เกียรตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเสียฉะนั้นเกี่ยวกับความทุกที่มันเป็นธาตุเป็นขันเน่นะความเท่าความแจกกับอารมณ์ของความเรียบร้อยอารมณ์ของความเป็นปกติมันเป็นคนเรืองแล้มันเรียนรู้เรื่องภาวนาทตรงนี้ เพื่อให้เกิดปัญญาเรียนรู้ตรงนี้ความนับความแจกขึ้นสังสารร่างกายอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกติสดชื้นเล่นเลยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นโง่เกลียนใจความปกติดีลักษณะนี้เป็นลักษณะของศสียนีลมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงามศีลมีที่ใดมันจะเกิดความเรียก้อยขึ้นกลงนั้น อะไรเรียบร้อยใจเรียบร้อยอารมณ์เรียบร้อยความเรียบร้อยมี่ใดมันจะเกิดทาคือความงามอะไรงามจิตใจงามเมื่อจิตใจดีจิตใจงามทีเนี้ยตรงนี้มันจะยึงประสานกับการทําบุญของพวกเรารักษาศีลธรรมตามที่ขาบอ เราจะมีความเชื่อมั่นมดเว้นจากความรัวเพื่อไม่เกิดอารมณ์ของกิเลสของตัณหาเพื่อให้จิตใจเป็นปกติดีมันจะวิ่งภาษานกันเมื่อวิ่งภาษาหนึ่งลักษณะนี้การตั้งใจภาวนา น, นึพ้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุถะคือผู้รู้ผู้รู้คือใจพุโทโธ นอกจากผู้รู้แล้วพุทธหอผู้ตื่นนีเนี่ยตื่นตนตื่นตัวว่าคุญมีจริงบากมีจริงต้องการความเป็นบุญหมดเว้นจากความชั่วรักษาสินห้ารักษาสินแปดรักษาสินสิบรักษาสินสองร้อยที่เกิดพุทธหอเป็นผู้ตื่นตื่นตนตื่นตัวหมดเว้นจากความชั่วเมื่อหมดเว้นจากความชั่วพุทธหอแปลผู้เบิกบาน เกตใจตัวท้งเลื่อนเรีงเยีนยเยี่ยงเฉยนต่เกียตใจดีงามเกียตใจเบิกบานพี่ น, อ น, น้องญาติโยมความดีตรงนี้มันเว่งบระสานกันเมืเ่อเว่งประสานกันแล้วการทําความดีของพวกเราเมันภูมิใจมันตืงใจ มันเอ่ยเปรตยินดีในความตัางเนินเอ่ยเปรตยินดีในความรู้สึกฉะนั้นนะความชนดของจิตใจถ้าเมื่อพวกเราเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบนมีจริงบาปมีจริง เราจะได้เกิดแต่ทาว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในขณะ น, นี้เราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ชีวิตของพวกเราไปดั่งบ่วงตัวเราจะใช้ชีวิตของพวกเราอยู่กับศิลปกรรมอยู่กับคุณกับผู้สนถ้าบุญผู้สนตรงนี้เพิ่มมากขึ้น เป็นไปแรงเลธิของบุญของกุตลตรงนี้เป็นเทพบุตรเทวดาพี่น้องญาติโยมเชื่อไหมว่าเทพบุตรเทวดามีจริงพระอินพระพรหมมีจริงเชื่อไหมว่าเทพบุตรเทวดามีจริงพวกเราเชื่อไหมถ้าใครยังสงสัย คำว่าเทบทเวดาลหลมายได้ว่าจิตใจที่มีศีลมีธรรอย่างนี้ว่านี่ยนะเจิตใจที่มีบุญเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ว่าเนี่ยนะเพราะเจิตใจดวงนี้มันแจกไม่เป็นฉะนั้นไปเป็นเทบทเวดาที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้อ่านตามตำราหรือวงลลปู่ครบาอาจารย์สอนพวกเราว่าสวยเหมือนเทวดาลูบหลอนุม เหมือนเทวบุตรทำไมจึงเป็นลักษณะนั้นเป็นได้ก็เพราะจิตใจนี่มันไม่แก่เหที่เจตใจไม่เท่าไม่แก่เหมือนอยาในขณะนี้ที่พวกเรานั่งฟังธรรมกําหนดดูใจจิตใจมันหนุ่มสวยสดชื่นรื่นเดิงเยืนเยนแจ่ม เปลนใจภายใต้ความสำเลกส่วนเลิกของหัวใจเชื่อมั่นในควมเป็นมุนใจดวงเนี่ยมันจะสวยจะงามอยู่ตลอดความสวยความงามเป็นไปได้ในความเป็นเทพ ย, ยกตัวอย่างพี่น้องญาตยองพันเดียนรุ่นอย่างนี้ตามควมเป็นจริง ยกตัวอย่างให้พวกเราเรียนรู้ตรงนี้ในขณะที่พวกเรานอนฝันในขณะที่พวกเรานอนฝันนั่นน่ะร่างกายจริงๆริงนะ ม, มันนอนอยู่ที่นอนในขณะที่ฝันมันไม่ได้อยู่ที่นอนในนณะที่ฝันนั่นน่ะปรากฏเป็นรูปร่างของเรานั้นน่ะอยู่กับหมู่กับเพื่อนทาการนทำงานก็อยู่ที่นอนที่นี่ แต่รูปร่างของเราจริงๆนั่นแหะแต่โลกล่างจริงๆมันอยู่ น, น, น, นี่นอนปากรวงฝันลักษณะนั้นอันนั้นหมายถึงว่าเจตใจของตัวเองมันแดงวามเป็นเทพสิ่งที่ปรากฏรัตนานั้นมันแดงวามเป็นเทพจิตต่างขาน เยีใจเป็นลักษณะที่พวกเราใฝ่ฝันนั่นนะ่ะตอนนั้นละ่ะจะไปเป็นเทพุดาคือผู้ชายจะไปเป็นเทวดาคือผู้หญิงแต่นั้นยีนใจดวงนี้พระพุทธเจ้าตรัสทั้รู้แล้วสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสถาเทวมนุษสานังพุทโธโภพวกวาตีนันนะ ยกเรื่องเทวดามาก่อนสอนเทวดาให้บรรดาเทวดาทั้งหลายลนะ่นนะรู้ตัวว่ามาจะเผยความเป็นทิพลรูปทิพสมบัติความเป็นทิพอายุยืนยาวนานรูปสวยรูปงามได้ลักษณะ น, นี้เป็นพรบุญของพวกเธอ ได้บำเพ็ญไว้แล้วสร้างไว้แล้วจะหมเป็นมนุษนย์นาบรรดาเทวดาทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีความซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งแต่นั้นกิจกรรมใดเพื่อจะเกิดความเป็นบุญบรรดาเทวดาทั้งหลายจึงพร้อมเพียงกันไปโดยเฉพาะฟังเทศคังมธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้เกิดความเป็นบุญจะได้แลงเป็น การเชื่อทบว่าบุญมีจริงราพุทธเจ้าสอนเทวดาถ้ามหให้ความเป็นเทพกับเพราะบุญพามายุติมาเกิดเป็นเทพบุญเทวดานอกจากสอนเทวดาให้รู้ัวะะักสนานั้นแล้วก็มาสอนมนุษย์ด้วยทีเดียวมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บุญพามาเกิด แล้วความรู้สึกของความเป็นมนุษ ย, ย์ต้องการความตรงกายสบายใจต้องการความสวยความงามถ้าต้องการลักษณะนี้ใหย้ยกฐานะความเป็นปปตูกบาศของมนุษย์เข้าสู่สวรรค์สมบัติด้วยแรงเร้นอันหนึอ ง, องเพรการรักษาศีลเป็นจากความรูวด้วยแรงเร้นการทํบทาบุญทำทาน ด้วยแรงเร้นการฟังเทศฟังธรรมตั้งสติตั้งใจภาวนาฉะนั้นอาในสงการเว้นจากความชั่วดา้าจึงไปเกิดเป็นเทวดาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็รูปสวยรูปงามอายุยืนยาวนานไม่มีโรคไม่มีภัยที่นองญาโยมเชื่อเตรงนี้ฟังไว้เถิด เป็นคนร่าค น, นรวยอานุสงมาจากไหนอานุสงเกิดจากทำบุญทางการงานอาเอสตลาเป็นผู้มีสติดีปัญญาดีอานุสงเกิดจากการตั้งใจมีตั้งสติดีฉะนั้นดนะเทพดาพระพุทธเจ้เาสอนจากโกสาวิกาหลวงปู่อุวอาจารย์ที่เห็นคุณค่าของความเป็นธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยหลวเฉพาะหลวงปู่สิงห์ทัศญาตโมของพวกเราสอนพวกเราโดยหลวงพ่อโคตรสอนพวกเราให้พวกเราเชื่อมั่นในมุญให้พวกเราเห็นคุณค่าของความเป็นสรรมบัตรของความเป็นมนุษย์เห็นคุณค่าของความดีเห็นคุณค่าความเป็นมนพวกเราควรเซึ้เซิงเซิเซซิซิงใจจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการนำเลิกบูชาพระคุณเทวลองปู่สิยงท่านสอนให้พวกเรามีความเชื่อเห็นบุญเห็นคุณได้ปฏิบัติตัวอยู่ในขอบเขตของสินป์ของธรรเพื่อเกิดความเป็นบุญซึงใจตึงใจนำลิกบูชาต า, า, าไหว้เมื่อไรโูมใจยีมใจพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานการเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้ มองดูเวลาเห็นว่าพอสมควรแจกเวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ท้ายที่สุดอาตมาขออนันเชิญเอาบุญพระศีลรัตนต ร, รัยโอยบูธ า, า, า, ารัตน์ธรรมารัตน์สังขารัตน์จงมาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันมีน้อำญาติยอมให้พ้นจากทภพโศกโรคภัยและปราราสนาสิ่งใดสิงนั้นเมื่อเดีนริษาขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงถ่วงปรารันา โดยทั่วหน้าท่านทุกท่านทุกคนเธอ